สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในบทเรียนจากพระธรรมสุภาษิตรพระธรรมสุภาษิตรครั้งที่สี่สิบสองเรื่องจงระวังเรื่องการล่วงเปิดเวรีตอนที่สามพรเานะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในสุภาษิตบทที่หกข้อยี่สิบสี่ถึงยี่บหกครับสุภาษิตบทที่หกข้อยี่บสี่ถึงยี่บหก เพื่อสงวนเจ้าไว้จากหญิงชั่วร้ายจากลิ้นพนาพนอของหญิงสัญจรอยากคุ้นปรารถนาความงามของนางอยู่ในใจของเจ้าอย่าให้นางจับเจ้าด้วยขนตาของนางเพราะจะจ้างหญิงแพศยาด้วยขนมปังก้อนเดียวก็ยังได้แต่หญิงเล่นชู้ล่าชีวิตประเสริฐของชายทีเดียวพี่น้องครับโปรดฝ่ายคังครับสุภาษิตบทที่หกข้อยี่สบสี่ถึงยี่บหก เพื่อสงวนเจ้าไว้จากหญิงชั่วร้ายจากลิ้นพเนาพนอของหญิงสัญจรอย่าปรารถนาความงามของนางอยู่ในใจของเจ้าอย่าให้นางจับเจ้าด้วยขนตาของนางเพราะจะจ้างหญิงแพรสยาด้วยขนมปังก้อนเดียวก็ยังได้แต่หญิงเล่นชู้ล่าชีวิตประเสริฐของชายทีเดียวพี่น้องครับพระกัมพีสุภาษิตบทที่หกตลอดทั้งบท ได้พูดถึงความบาปและสิ่งที่คริสเตียนควรจะละเว้นและสิ่งที่พระเจ้าเกลียดชังสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าเกลียดชังก็คือบาปแห่งการล่วงประเวณีครับบาปแห่งการล่วงประเวณีนั้นถือว่าเป็นบาปใหญ่เป็นบาปหนักหนาเป็นบาปที่ค่อนข้างรุนแรงและเป็นบาปที่เกิดขึ้นและมันส่งผลต่อร่างกายจิตใจและจิตวิญ ญ, ญาณ พี่น้องครับจุดประสงค์ของคําสั่งและคําสอนก็คือเพื่อที่จะสงวนชีวิตของผู้ชายที่ดีจากผู้หญิงที่ไม่ดีจากกับดักของมารซาตานจากหลุมพรางของศัตรูคําสั่งหมายถึงพระบัญญัติคําสอนหมายถึงคําตักเตือนที่เกิดจากบิดามารดาคุณพ่อคุณแม่และองค์พระผู้เป็นเจ้าและคําสั่งและคําสอนนี้ เป็นความรับผิดชอบของผู้ชายที่จะต้องมัดหรือยึดติดไว้ยึดติดไว้กับใจยึดติดไว้กับความคิดของตัวเองผูกมันไว้ที่คอเพื่อจะรักษาตัวเองให้พ้นจากความบาปในเรื่องนี้พี่น้องครับบาปในเรื่องนี้เป็นบาปใหญ่ ผมได้บอกไปแล้วนะครับว่าเป็นแบบที่มีความสำคัญรุนแรงหนักหนาเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีวิธีการจัดการป้องกันครับป้องปรามและปกป้องผู้ชายของเราให้พ้นจากสิ่งเหล่านี้นั่นหมายความว่าปกป้องลูกของเราปกป้องสามีของเราปกป้องผู้ชายที่เราเคารพเรารัก ให้หลุดพ้นหรือออกห่างจากบาปเรื่องนี้เป็นพิเศษพี่น้องครับโดยปกติแล้วคําว่านรักนวลสงวนตัวมักจะใช้กับผู้หญิงแต่ในพระคัมภีร์ภาษาไทยตอนนี้ได้ใช้คําว่าสงวนตัวสงวนตัวเจ้าจากหญิงชั่วร้ายเย็นได้ชัดว่าผู้ชายต้องรักนวลสงวนตัวครับ คำรักนนสงวนตัวในมันสังเกตใช้คำว่าค e e เ away ซึ่งหมายถึงการกันกันตัวเองออกไปหรือแยกตัวเองออกสงวนรักษาตัวไว้รักษาตัวไวใ้ให้อยู่ในความบริสุทธิ์เรื่องเพศแท้จริงแล้วพระเจ้ากำหนดหรือสร้างภรรยาที่เหมาะสมและเป็นคู่อุปถัมภ์กับผู้ชายที่ดีในขณะเดียวกันครับผู้ชายที่ดีที่ยังไม่ได้แต่งงานอาจจะ ไปหลงรักภรรยาของคนอื่นอาจจะไปหลงไหลหญิงแพทย์สยาได้เพราะฉะนั้นผู้ชายจะต้องรักนวนสงวนตัวเราจะต้องสอนลูกหลานของเราซึ่งเป็นผู้ชายว่าผู้ชายต้องรักนวนสงวนตัวต้องสงวนตัวเองไวจากหญิงชั่วร้ายจะต้องออกห่างจากผู้หญิงที่ไม่ดีนั่นก็หมายความว่าคุณพ่อคุณแม่ต้อง สอนลูกให้รู้ว่าผู้หญิงคนไหนดีผู้หญิงคนไหนไม่ดีต้องรู้จักสังเกตต้องมีของประานของการแยกแยะแยกแยะผู้หญิงที่ดีแยกแยะผู้หญิงที่ไม่ดีออกจากกันพี่น้องครับผู้หญิงที่ดีคือผู้หญิงที่รักพระเจ้าผู้หญิงที่ดีก็คือผู้หญิงที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์พระผู้เป็นเจ้ามีประสบการณ์กับพระเจ้า อยู่ในการทรงนำของพระองค์มีจิตใจที่รักนวนสงวนตัวเช่นเดียวกันและมีความคิดความปรารถนาที่ฝักใฝ่อยู่กับองค์พระเยซูคริสเพราะฉะนั้นสรุปว่าผู้หญิงที่ดีนั้นก็คือเป็นผู้หญิงที่รักพระเจ้าเพราะฉะนั้นไม่ควรที่ผู้ชายจะเอาตัวเองไปผูกพันอยู่กับหญิงชั่วร้ายเพราะว่าการผูกพันอยู่กับผู้หญิง นั่นหมายความว่าเป็นเนื้อเดียวกันในขณะที่พระคัมพีสอนให้เราผูกพันอยู่กับผู้หญิงคนเดียวที่ดีก็คือภรรยาที่พระเจ้าสร้างเขาขึ้นมากําหนดเขาไว้ให้เพราะฉะนั้นในพระคัมภี์ตอนนี้นะครับสามารถสรุปเรื่องของการตกลงไปในบาปของการล่วงประเวณีนั้นมีอยู่สองช่องทางครับช่องทางแรกคือหูช่องทางที่สองคือตาเพีย ง, งครับโปรดฟังอีกครังครับ การตกลงไปในความบากของการล่วงประเวณนีนั้นมีอยู่สองช่องทางช่องทางแรกคือหูหูของผู้ชายนี่แหละครับและช่องทางที่สองคือตาตาของผู้ชายเช่นเดียวกันเพื่อกัมพีใช้คำว่าสงวนเจ้าไว้จากหญิงชั่วร้ายจากลิ้นพนาพนอของหญิงสัญจรอันนี้พูดถึงว่าลิ้นที่พเนาพนอพเนพนอ น, นั้นคือคาพูดที่หลอกลวงครับ คำพูดที่ทําให้เกิดความเคริบเครมคําพูดที่ทําให้เกิดความหลงไหลคําพูดที่ทําให้เกิดความหลงเชื่อเนี่แหละครับก็คือประสิทธิภาพของลิ้นที่พนอพนอพูดง่ายคือมันมีพิษลิ้นที่พนอพนอ น, นั้นเป็นลิ้นที่หลอกลวงทําให้เกิดพิษเกิดพิษที่ที่หูและนําไปถึงใจของผู้ฟังได้ ภาษาในพะกัมพีนั้นใช้คำว่าแฟกตอรี่แฟกตอรี่นะครับหมายความว่าเป็นคำพูดที่เยินยอหลอกลวงเป็นการโกหกเป็นการล่อลวงของผู้หญิงเป็นคำพูดที่เต็มไปด้วยเล่กลนเพทุบายที่ใช้จับผู้ชายที่หูเบาพี่น้องครับพี่น้องสุภาบุรุษเราจะต้องเป็นผู้ชายที่ไม่หูเบาครับเราอย่าเชื่อ คำพเนาพนอคำเยิอนยอที่หลอกลวงของผู้หญิงที่ไม่ดีช่องทางที่สองครับตาครับเนื่องจากตานั้นเป็นหน้าต่างของหัวใจการสื่อสารทางตาก็ทำให้ผู้ชายนั้นหลงผิดหลงผิดไปมีความปรารถนามีความกําหนัดมีความใคร่อยู่ในใจความใคร่ที่มีอยู่ในใจนั้นเกิดขึ้นจากความงดงาม บนร่างกายใบหน้าของผู้หญิงครับเพราะฉะนั้นการที่ผู้หญิงนั้นชอบเท่แต่งตัวสวยไม่ผิดครับแต่ผู้หญิงที่แต่งตัวยั่วยาวผู้ชายนั้นเป็นความผิดดังนั้นเองผู้หญิงที่ดีนั้นจะต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยแต่งตัวที่จะไม่ยั่วยวนผู้ชายไม่เห็นของสงวนพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ทาให้เกิดการมอง ผู้หญิงนะครับด้วยความใคร่ในใจด้วยความปรารถนาที่พระกัมพีพูดไว้ว่าจับด้วยสายตานะครับความงามบนร่างกายใบหน้าของผู้หญิงและการมองของผู้หญิงสามารถจับหัวใจตรึงหัวใจของผู้ชายที่ดีได้เพราะฉะนั้นในส่วนของผู้ชายเองนะครับผู้ชายก็ต้องระวัง สมัดระวังการมองของตัวเองที่จะเลือกมองสิ่งที่ดีเลือกมองผู้หญิงที่ดีเลือกมองส่วนที่ดีที่ถูกต้องและควบคุมการมองตนอย่ามองสิ่งที่ไม่ควรมองภาพที่ไม่ควรดูนี่คือสิ่งสำคัญครับถ้าเราไม่อยากตกอยู่ในการทดลองก็ต้องไม่เข้าไปอยู่ในวงจรชั่วร้ายวงจรอุบาทของการทดลองมีคำกล่าวอย่างนี้ครับว่าอย่าเล่นกับการล่อลวง เพราะว่าเหมือนกับยื่นคอของเราออกไปหาดาบของเพชฌฆาตพี่น้องครับอย่าเล่นกับการล่อลวงครับอย่าเล่นกับการทดลองเพราะว่ามันเหมือนเรายื่นคอออกไปหาดาบของเพชฌฆาตและคําพูดต่อไปก็คือว่าไม่มีสิ่งใดที่จะหล่อเลี้ยงการล่วงประเวณีเหมือน ก, กับการจินตนาการการจินตนาการคือการหล่อเลี้ยงฟูมฟักนะครับให้ไปถึงบาปแห่งการล่วงประเวณีให้ไปถึงความผิดการกระทําแห่งการล่วงประเวณีได้ การจินตนาการที่มากขึ้นเรื่อยๆก็เป็นเชื้อเพลิงที่นำไปสู่การไร้ศีลธรรมทีนัครับผู้หญิงแพทย์ยาผู้หญิงโสเพนีนะครับหญิงสัญจรถูกว่าจ้างได้ด้วยสินบนเพียงเล็กน้อยคือขนมปังก้อนเดียวครับนั่นหมายความว่าคุณค่าชีวิตของผู้ชายที่ดีนั้นลดลงจากสิ่งที่ประเสริฐล้ำค่านะครับมีคุณค่าสูงเหลือเพียงเท่ากับขนมปังเพียงก้อนเดียวถูกมากครับ พี่น้องครับหญิงแพทย์สยาหญิงโสเพณีหญิงชั่วหญิงสัญจรเป็นเครื่องมือของมารซาตานในการทําลายชีวิตของผู้ชายที่ดีครับพี่น้องครับหญิงเล่นชู้ในเพิ่มผีนั้นเจาะจงครับว่าเป็นภรรยาของเพื่อนบ้านที่มีจิตใจชั่วร้ายเป็นหญิงที่แต่งงานแล้วที่เต็มไปด้วยกิเลสตัณหาเขาจะล่าชีวิตประเสริฐของผู้ชายครับ สิ่งเหล่านี้จะนําการลงโทษทั้งทางศิลธรรมจริยธรรมทางสังคมและทางกฎหมายมาสู่ผู้ชายที่หลงไปกับผู้หญิงเช่นนี้พี่น้องครับเราพบคําว่าหญิงแพทยยาตั้งแต่ปฐมกาลถึงวิวร์นังสือโคเช ย, ยาทั้งเล่มก็พูดถึงเรื่องราวของหญิงแพทย์สยาที่เปรียบเทียบกับอิสราเอลที่หันไปเลี้ยนชูกับพระต่างชาติและลูกเขารบ พ, พี่น้องครับความสําคัญของการความบาปเรื่องการล่วงประเวณีนั้น เพิ่มพีให้ความสําคัญมากเกิดขึ้นทั้งกายภาพและฝ่ายจิตวิญญาด้วยเป็นความผิดให่หลวงหนักหนาสาหัสนะครับเป็นความผิดขั้นร้ายแรงจริงขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะไม่ตกอยู่ในการทดลองเรื่องนี้และเราจะไม่เป็นเหยื่อของสิ่งชั่วร้ายที่หลอกลวงเราให้เคลิบเคลิ้มกับคํพาพูดเจาะแย่พนอพนอและในขณะเดียวกันครับตาของเราต้องระวังอย่าไปจ้องมองกับของที่ไม่จริงรังเสน่ห์งามของผู้หญิงที่หลอกลวงที่ พยายามจับผู้ชายเข้าไปอยู่ในวิถีแห่งความชั่วแรงของพวกเขาเพิพ่มพีบอกว่าสเสน่ห์เป็นของหลอกลวงและความงามก็เปล่าประโยชน์ขอบพระเจ้าบวยประภอรพี่น้องทชี่รักทุกท่านอาเมน